แนวะคิดทฤษฎีนี้ได้ยังไงเนี่ยนะเหมือนกับกว๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยปรุงมาได้ยังไงเนี่ยมันมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะมีเส้นเส้นกี่กรัมเนี่ยนะมีน้ําเท่าไรน้ําต้มกระดูกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะมีถั่ว ง, งอกเท่าไร่มีซีอิ๊วมีอะไรคือเครื่องประกอบในกว๋วยเตี๋ยว่แต่ละอย่างมันมีเท่าไหรแล้วมันสูตรนี้มันไม่ได้ยังไงเนี่ยนะชันใดมิตร ท, ที่ที่เราผุดขึ้นมาแต่และความคิดต้องตรวจได้อย่างนั้นเช็กเลยอ๋อว่าความคิดตัวนี้เพราะคําคนนั้นมา อ๋อคำคนนั้นเขาคำคนโน้นเขาพูดมาเราก็เลยโปะปะเข้าไปเลยมันได้อีกทิฐทีหนึ่งนะก็เหมือนกับอย่างว่าชาวบ้านที่แบบว่าไปบริเข้าไปในร้านร้านในตลาดเนี่ยก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวมาแนละก็เลยเออมันก็นี่มันมีเส้นมีนั่นมีนี่ก็เลยไปซื้ออาหารมาแล้วก็มาปรุงอสูตรข้าพเจ้าเองเลยนะต้มเองปรุงเองปรุงกับมือเลยนะก็ได้อีกรสอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะไปเจออีกหนึ่งก็เติมนั่นนิดเติมนี่เข้าไปหน่อยก็กลายเป็นสูตรของ ตัวเองมันทิฏฐิที่เราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องตรวจได้เช็คได้นะว่าเออความเห็นตัวนี้เนี่ยอ๋อเพราะคําคนนั้นมาอัแล้วเราจําเข้ามาหมดปะปะทำไมเขาคิดอย่างนั้นบอกไม่รู้ถ้ายยังไงก็หนักใจเดือนก็อะไรนะขอแสดงความสงสารด้วยเหมือนกันเนี่ยนะมันต้องตรวจสอบได้ว่าคนนั้นเนี่ยเขาอิงทิฏฐิอะไรอยู่อัแล้วทิฏฐิที่เขาอิงเนี่ยมาจากอะไรอัแล้วจากคนนั้นบวกไปหาคนนี้จากคนนั้นเนี่ยสามคนมารวมปะเราเป็นคนหนึ่งพอมาเข้าไปเจอรูปหนึ่ง ก็บอกว่าก็ไปนั่งคุยกันนะท่านก็เล่าถึงข้อปฏิบัติของท่านให้ฟังท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ท่านก็ไปหาคนนั้นไปอยู่กับคนนี้จากคนนี้ไปอยู่กับคนนั้นจากคนนั้นไปอยู่กับคนโน้นไปมาเยอะก็เลยปรุงมาได้ทิฏฐิอีกอันหนึงนน่งนะได้สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งเข้าไปทีนี้ไอ้คนเนี้ยถ้าหากว่าถ้าเป็นอย่างนี้กันเยอะๆมันก็ได้กี่สูตรในโลกนี้เอา้าก็เป็นลัทธิของตัวเองของตนของตนเสมอไปนีนะก็เป็นของตนของตนเขาบอกไม่พูดง่ายๆเลยนะ ไ ม, ม ไ, าาไม่มีใครคิดว่าตัวเองกำลังปฏิบัติเพื่อไปสู่อบายทุกติวินิบาตหรอกรอกไม่มีใครคิดว่าตัวเองกำลังปฏิบัติเพื่อทำลายสวรรค์นิพพานหรอกก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติเพื่อพ้นจากอาบายทุกติวินิบาตปฏิบัติเพื่อบรรลุมรักผลตรารู้สวรรค์กันทั้งนั้นแหละทุกคนจะยืนยันกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละมีไม่กี่คนแลอวที่พูดว่าถ้าเราไม่ตกนะรกแล้วใครจะตกวะนะมีขี้เมาเท่านั้นที่พูดแบบนี้ น, นะตอนเมาหรอกซ่อสั่งมาก็ไม่กล้าเอาเองนั่นแหละ เก็มีอยู่ไม่กี่คนที่กล้าพูดนะนะแต่ถ้าธรรมดาแล้วทั่วทไปก็คิดว่าตัวเองจะไปดีกันทั้งนั้นแหะทีนี้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงมันต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมแม้แต่พวกบัญชีก็จะมีตรวจสอบแบบตรวจสอบระบบบัญชีแม้แต่ยาเขายังมีตู้อะไรนะเป็นเครื่องตรวจสอบในโลกนี้เขาจึงมีค่าที่มาตรฐานเป็นเครื่องตรวจสอบฉันใดทิฐิของเราก็เหมือนกันต้องเอาคําสอนเป็นเครื่องตรวจสอบถ้าบอกตรวจสอบไม่ได้ถ้าตรวจสอบไม่ได้คุณก็ตกจากศาสนาแล้ว ชีวิตของคุณก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเถอะครั้นี้ก็พบสามกำเนิดสี่คติห้ากว่ากันไปเนี่ยนะถ้าไปสู่ภูมิที่ไม่ดีก็หวังว่าคนอื่นจะกวดน้ําให้บ้างก็เอาเนี่ยนะหวังว่าคนอื่นเขาจะสงเคราะห์ให้บ้างก็ได้แต่ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างว่านี่เราออกจากนี่ไปแล้วจะไปไหนต่อก็ไปอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนปารึนนี้จะไปไหนปีนี้จะไปไหนปีหน้าจะไปไหนชาตินี้ไปไงชาติหน้าไปยังไงแล้วหลายชาติต่อไปนี่ไปยังไง พราะอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดไปได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องไปไปไปไปไปแล้วไปด้วยแล้วไปไหนแล้วคราวนี้นะไปไหนไปทําไมไปเพื่ออะไรเป็นต้นท่านอันนี้แหละสำคัญมากที่ต้องชําระทิฏฐิตัวเองให้ดีแต่อย่างว่านะชำระอะไรไม่ได้เลยก็พุทธังสารานางังคัจฉ า, ามิอิติปิโสเนี่ยพรเอาอย่างนี้ไว้เถอดเนี่ยนะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยว่าไปตามนั้นแนหะโบราณเขาไม่หลอกเราหรอก เ, เขามาดูแล้ะนะอ่านแล้วจริงๆเขามาเชื่อเสน้นใจเลยวนะ่าโบราณเขาไม่หลอกเรา อันเมื่อก่อนนี่สวดมนต์ขี้เกยียจขี้เกียจเน่ยนะตอนเป็นเด็กเป็นเอ็นเนี่ยอุ้ยขี้เกยียจจริงเลยใครมาพาสวดมนต์เนี่ยอ๊ยเราอย่างสวดมนต์เช้าเนี่ง่วงง่วงไงสวดมนต์เย็นก็อุ้ยสวดไปอย่างงั้นแหละพอมาศึกษาธรรมะแบบงูงูปลาปลาอีกก็ปฏิเสธสวดมอนต์อีกนะอุ้ยใครเขาสวดให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเทศนะเก่งจริงนะเป็นนักเทศเลยนะตอนนั้นอ่ะต้องให้เขาสวดมนต์ให้จบก่อนแล้วเราค่อยไปเทศเนี่ยนะเก่งมากเลยนะมันก็สวดกันไประดับเราแล้วไม่ต้องสวดแล้วเนี่ยนะอ ระดับอะไรระดับเกือบจะไปอบายสิไม่ว่าเนี่ยนะตอนหลังก็เริ่มสักสงสารตัวเองก็เริ่มมาสวดมนต์สวดพรบ้างแล้วเนี่ยนะมาาไม่งั้นเนี่ยเดือดร้อนแน่เนี่ยนะมันก็ต้องพยายามสังเกตให้ดีๆนะเนี่ยนะถ้ามันรู้จริงก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้ารู้ไม่จริงแล้วก็รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมแน่นอนเชื่อเหอะนี่ยนะทุกคนรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วล่ะทีนี้ไอ้รับผิดเนี่ยมันแหมมันก็คิดหนักเหมือนกันนะ ถ้ารับชอบนี่ยินดีต้อนรับใช่ไหมมาเลยเนี่ยนะถ้าผลบุญนี่รีบมาเลยใช่ไหมรีบมาส่งได้เลยเนี่ยถ้าผลบาปละ่ะใบเบียงหลบทั้งหลบทั้งหลีทั้งลีเนี่ยนะก็พยายามคิดนะว่าสิ่งที่เราเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปพรานตัวเช็คยากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องบุญบาปคือทิฏฐิเนี่ยนะว่าทิฏฐิของเราเนี่ยผิดหรือถูกเพราะคนหลงทางมันก็คิดว่าถูกเหมือนกันนะคนที่เข้าใจทางกลับด้านเนี่ยเพราะมาเมื่อก่อนเนี่ยประจําบางบา ง, บางทีเนี่ยนะสมุทะ นั่งรถทัวร์ก็เหมือนกันนั่งรถทัวร์นั่งไปนั่งมาหลับไปนั่งไปหลับนะรถมันวกไปวนมาวกมาวนไปเราก็คิดว่าอย่างเช่นรถมันออกตัวไปทิศเหนือเราก็คิดว่ารถไปทิศเหนือที่ไหนได้มนไปใต้เฉยเลยอย่างเงี้ยนะคิดตรงกันข้ามมันก่อนนั่งรถไฟจากพาราณสีมาราชนั่งรถไฟจากพาราณสีมาพุทธคยามาขยาเนี่ยนะพอมาลงขยาเนี่ยนะไอตอนนั่งรถไฟเนี่ยมันคิดอะไรนะ รถไฟมันมันไปอีกทิศหนึ่งเราคิดว่ารถไฟมันกลับข้างอ่ะคือเราคิดว่ารถเราเหมือนกับว่านั่งเหมือนเราก็นั่งเนี่ยนั่งหันหลังให้รถไฟวิ่งไปข้างหน้าแต่รถไฟมันไปทซนรด้านอ่ะตอนนั้นมันกลางคืนเนียมืดหมดหมดอ่ะมันกลับกันตรงกันข้ามไปหมดเลยทิศทั้งหลายมันก็กลับทิศกันไปหมดเลยเออจากการกลับทิศบนรถไฟนี่ก็ทําให้คิดเออเนี่ยเราต้องระวงเหมือนกันนะไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันถูกจริงหรือ เพราะสิ่งที่เราเชื่อสนิทใจเนี่ยพอเอาเข้าความจริงเนี่ยพอลงจากรถไฟปั๊บดวงอาทิตย์สว่างโร่เอาไมา่ใช่อีกแล้วมันมีตั้งหลายเรื่องนะเป็นลักษณะเนี่ยนะเหมือนกันขึ้นเครื่องไปก็เหมือนกันีขึ้นขึ้นลงเนี่ยนะไปบางบางแห่งเนี่ยนะเอาไปเอามาเราก็ว่ า, ากำหนดทิศ ท, ทางไว้เด็ดเสร็จนะลองเดาๆ ด, ดูนะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วแหะแต่ดาๆ ด, าดูแต่ใจเรามันบอกงี้ ง, งีนะ เช็คปั๊บพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาปับป๊บปับ๊บปั๊บเรารู้ผิดแน่นอนนะตรงกันข้ามเนี่ยนะบางอย่างตรงกันข้ามชนิดสิน้นเชิงบางอย่างนี่เป๋ไปเลยกุญแเรื่องเนยนะเข้าใจเหนือเป็นออกเข้าใจทิศเหนือเป็นทิศ ต, ตะวันออกบางทีเข้าใจทิศตะวันออกเป็นทิศเหนือบางครั้งเนี่ยกลับกันเลยเป็นตะวันตกเป็นตะวันออกเนี่ยนะแต่ถามว่าความจริงเรารู้ไหมว่าเข็มทิศจริงๆดวงอาทิตย์ขึ้นจริงๆอ่ะคืออะไรพอกเรารู้แต่ใจเรามันบอกกลับกันเพราะฉะนั้นใจเราอย่าไปเชื่อได้มากหรือเปล่า ใช่ไหมสิ่งที่เราเชื่ออาจจะไม่จริงสิ่งที่จริงเราอาจจะไม่เชื่อ uh huh. แล้วเอาอะไรเป็นค่ามาตรฐนานทางความเชื่อลรือเอองนะพะเช้าเราก็เชื่ออย่างหนึ่งเที่ยงเราก็เชื่ออย่างหนึ่งเย็นเราก็เชื่ออย่างหนึ่งตอนหนุ่มสาวก็เชื่ออย่างอายุขึ้นไม่น้อยก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งจะอายุมากขึ้นก็เชื่อไปอีกอย่างหนึ่งตอนหิวก็เชื่ออย่างหนึ่งตอนอิ่มก็คิดอีอย่างหนึ่งมันไม่แน่นอนเลยเมื่อมันไม่แน่นอนแล้วเอาอะไรเป็นเป็นหลักยึดว่าเป็นค่าที่มาตรฐานอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสารณะเราจึงต้อง มั่นคงระลึดถึงพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆ ค, คุณใส่ใจในคําสอนไว้เสมอพุทธพจน์นะใส่ใจในพุทธพจน์เอาไว้เสมอและตรวจสอบเสมอว่าพุทธพจน์ละสูตรคํานี้มาจากสูตรไหนความคิดของเราที่เราคิดเนี่ยบอกเออนี่เป็นพุทธพจน์ละ่ะแล้วพุทธพจน์ที่คุณเชื่อนี่มาจากเล่มไหนละ่ะมาจากสูตรไหนแล้วสูตรนั้นอธิกถาอธิบายว่าอย่างไรพุทธพจน์ที่อื่นๆ อ, นอธิบายว่าอย่างไรต้องตรวจสอบเลยนะ ตรวจสอบความเห็นเราทุกๆทัศนคติทั้นการเรียนพระสูตรเนี่ยนะเขมาชอบอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรเนี่ยจะชอบอ่านถามว่าทำไมอ่านไว้ตรวจสอบทิฐิของเราเราขัดความเห็นของเราเนี่ยมันขัดแย้งกับสูตรไหนบ้างมันขัดแย้งกับสูตรไหนบ้างพอเราอ่านได้แรกๆเลยเนี่ยเอ้ยสูตรนี้แหมไม่ถูกใจเราสูตรนี้ก็ไม่ถูกใจเราสูตรนั้นก็ไม่ถูกใจเราสูตนนรตนี้น่าจะผิด สูตรนั้นไม่น่าถูกหรอกนะนี่เราพิจารณทิฏฐิตรง น, นัตอนนั้นรู้เลยว่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนหลังพอโตขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ย น, นะพออายุพรรษาเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยเอย๊ความเห็นตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นยพยายามจะทํำยังไงให้ใจเนี่ยอยู่กับคําสอนให้มากที่สุดนั่นแหละเป็นเครื่องกล่อมเกลาทัศนคติกล่อมเกลาทิฏฐิให้ใจของเราความเห็นของเราเป็นไปตามคําสอนถ้าใจของเราไม่เป็นไปตามคําสอนเมื่อไหร่ก็เราเองก็น่าสงสารเพราะ ทิฏฐิที่นําออกจากทุกมีทิฏฐิเดียวคือสัมมาทิฏฐิเรียกว่านิยานิกธรรมธรรมที่นําออกจากทุกมันสัมมาทิฏฐิอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันต์ตาอาชีวะวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะตามมา ตรงกันข้ามถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบเนี้ยสมณพราหมณ์ที่กำลังพูดถึงอยู่นี่ถ้าอิงมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ก็มิจฉาสังกัดป่เป็นต้นก็ตามมาก็เลยไม่หลุดพ้นไปจากบ่วงของบาลเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์พวกที่4ี่เนี่ยพวกนี้เก่งเนี่ยนะรู้กลุ่มที่1คิดอะไรปฏิบัติอย่างไรและผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรรู้ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยคิดอะไรกลุ่มที่สองมีความรู้แค่ไหนและกลุ่มที่สองไปปฏิบัติอย่างไรในที่สุดผลลัพธ์ตามออกมานี่เป็นอย่างไร สมณพราหมณ์กลุ่มที่4รู้อีกว่าพวกที่3เนี่ยคิดอะไรรู้อะไรกลุ่มที่สรู้นะกลุ่มที่1คิดอะไรกลุ่มที่3เนี่ยรู้นะว่ากลุ่มที่สองคิดอะไรแล้วตัวเองมีทิฏฐิอย่างไรและผลลัพธ์สุดท้ายของตัวเองมาเป็นอย่างไรเพราะนั้นกลุ่มพวกสมณพราหมณ์พวกที่4ก็เลยมาประชุมกันเข้าใจเป็นอันเดียวกันในหน้าที่1นึอ่อ หน้า402เนี่ยนะที่เป็นความเห็นของสมณพราหมณ์ที่เป็นสัมมาทิฐิบริบูรณ์เขาบอกว่าอยากนะเขารู้เลยนะว่าพวกที่หนึ่งเป็นยังไงพวกที่สองเป็นยังไงพวกที่สมเป็นยังไงแล้วก็ไม่สามารถพ้นไปจากอำนาจของมารได้ก็เลยคิดว่าอยากกระนั้นเลยเราต้องอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงจำไม่ดีนะสังเกตที่ที่มารและบริวารของมารไปไม่ถึง ครั้นเราไปอาศัยอยู่ในที่ที่มารและบริวารของมารไปไม่ถึงแล้วเราก็ต้องไม่เข้าไปหาเบญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นจะไม่ลืมตัวบริโภคเบญจากามคุณเมื่อไม่เข้าไปหาไม่ลืมตัวบริโภคเบญจากามคุณก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทําเอาได้ตามความชอบใจในเบญจากามคุณนั้น พอมีความเห็นสรุปเบ็ดเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วสมณะพราหม์เหล่านั้นก็อาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาเบญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นไม่ลืมตัวบริโภคเบญจากามคุณก็ไม่หมเมาเมื่อไม่โมเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทาเอาได้ตามความ ชอบใจในเบญจา ก, กามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณพราหมณ์พวกที่สี่นั้นก็หลุดพ้นไปจากอำนาจของมารได้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สี่นี้ว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สี่นั้นเนี่ยนะฝูงนี้ก็คือฝูงไหนพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกของพระองค์เนี่ยนะเป็นสมณพราหม์พวกสมณพราหมณ์พวกไหนพวกพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของ พระพุทธเจ้าท่านได้ไปอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงในข้อ311จึงบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงเป็นอย่างไรที่ไหนที่นั้นคือที่ไหน ดูความพิสูจทั้งหลายพิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการมสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูความพิสูจทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้บอดคือทำลายจักรสุขของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยซึ่งความไม่เห็นของมารผู้มีบาปมารก็ไม่เห็นไม่เห็นปถมฌานด้วยหรือ ในอัตกรถาอธิบายว่านนะในหน้า409นะพวกสมณพราหมณ์ที่4นี่หมายถึงสมณพราหมณ์ในศาสนาของพระองค์เนี่ยนะตะถูปะเมอหังพิคเวอีเมจตุเทนี้เป็นเครื่องนำมาเปรียบเทียบในศาสนานี้บทว่าอันธมกาสิมารังไม่ทำลายในตาของมารแบบแบบไปทิ่มตามารให้บอดไม่ใช่ลักษณะนั้น แต่หมายถึงจิตของพิสูจน์ผู้เข้าปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นบาดรองรับของการเจริญวิปัสนาอาศัยอารมณ์นี้เป็นไปฉะนั้นมานจึงไม่สามารถจะเห็นได้กว่าเมื่อเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาปฐมฌานนั้นนะโดยเป็นสังขารธรรมน่ะพิจารณาสังขารธรรมพิจารณาโดยวัตถุโดยทวารและโดยอารมณ์โดยปัจจัยโดยสิ่งที่เนื่องด้วย ปัจจัยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าปฐมมชานเป็นของเที่ยงพิจารณาปฐมมชานว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นว่าเป็นอัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินเมื่อปฏิบัติเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อก่อขึ้นเพื่อสร้างขึ้นปฏิบัติเพื่อความสละเกินไม่ใช่ยึดถือเมื่อตามเห็นว่าไม่ตามเห็นว่าความเป็นของไม่เที่ยงก็ละนิจจะวิปลาสได้นิจจะสัญญาได้เมื่อเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละ สุขวิปลาดได้เมื่อเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตวิปลาดได้เมื่อเห็นโดยความเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เมื่อเห็นโดยความดับก็ละคืนความก่อร่างสร้างขึ้นมาได้เมื่อเห็นโดยความอะไรสละคืนก็ละความยึดถือออกไปได้เนี่ยนะก็สละละอย่างนี้ไปเรื่อยๆและโดยลำดับในที่สุดก็อะไรอาศัยปฐมฌานเป็นบาตเจริญวิปัสสนา ปฐมฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนานี่แหละที่บอกว่าเป็นการทำลายที่ตามมาทำให้มานี่ไม่ไม่มีหนทางมานี่หมดหนทางมานี่หมดพิพึ่งมานี่หมดอารมณ์เพราะอะไรเพราะอารมณ์ของมานอยู่ที่สังขารธรรมถ้ายังเกาะติดอยู่กับสังขารธรรมก็แปลว่ายังเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของมานก็เหมือนอย่างว่าก็เหมือนเราเกาะติดในสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งทางการเขาเป่าร้องเนี่ยนะ แล้วซ่อนไว้ยังไงก็ซ่อนไม่มิดเนี่ยถามว่าเราจะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนทพราะถ้ามียาเสพติดในครอบครองห้าล้านเม็ดอย่างเงี้ยนะยึดติดมากเลยแล้วเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนอ๋อสงว่าแต่ละเม็ดเนี่ยก้อนเท้าลูกมะพร้าวเนี่ยนะถ้าทางการเขาก็ตรวจได้อย่างเงี้ยแล้วหนีไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะชั้นใดก็ดีสังขารธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นยังอยู่ในเขตแดนของมางอยู่ในวิสัยของมารถ้ายังยึดถือสังขารธรรมเหล่านั้นโดย สำคัญว่าสังขารเป็นของเที่ยงสำคัญว่าสังขารเป็นสุขสำคัญว่าสังขารเป็นอัตตาเนี่ยนะเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ไม่ปฏิบัติเพื่อความเบือเบ่อหน่ายและคลายกําหนัดเมื่อไม่เบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจะไปไหนก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของมารแต่การเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยนะการเจริญสมถะ ท, ที่เป็นฐานรองรับของวิปัสสนาทั้งหลายนั่นแหละพ้นจากวิสัยของมารเพราะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจาก สังขารทั้งหลายคิดง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเจริญอนุปัสนา7เสร็จแล้วก็เข้าทุติยฌานต่อไป ดูการพิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกพุดขึ้นเพราะวิตกวิจารณ์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูการพิสษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าภิกษุได้ทํามารให้ตาบอดได้ทําลายจากักษุของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปประธรรมทั้งหลาย แก็เข้าทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานก็เจริญวิปัสสนาเจริญอนุปัสสนาอิทธิผลการที่อาศัยฌานเป็นบาตของวิปั ส, สนานี่แหละเรียกว่าทำลายตาของมานมานนี่มองไม่เห็นไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเนี่ยนะไม่รู้แล้วว่าพระพิสูุรูปนั้นน่ยท่านเจริญวิปั ส, สนาเป็นตน้นแล้วท่านคิดอะไรเพราะไม่อยู่ในวิสัย ดูการพิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูการพิสษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทํามานให้ตาบอดคือทําลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้ มีบาปประธรรมนะก็เข้าตาัดิยะฌานออกตติยะฌานก็เจริญอนุปัสนาอีกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายยังยังอีกข้อนึงคือภิสูุบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทํามานให้ตาบอดคือทําลายจักรสุขของมาน ให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปประธรรมดยการพิสูจน์ทั้งหลายยังมียังมีอีกข้อหนึ่งคือพิสูจนได้อากาสารนัญจายตนะฌานซึ่งบริกรรมว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะเพิกรู ป, ปรสัญญาเสียสิน้นเพราะดับปฏิฆาสัญญาไม่ตั้งอยู่เพราะไม่มีมณสิการเพราะไม่มีมณสิกาแบบประเภทนานัตตสัญญาแปลว่าอะไร ใส่ใจในอากาศอันหาที่สุดไม่ได้เพิกรูปสัญญาคือเพิกรูปฌานเนี่ยนะเพิกปฏิฆาสัญญาดับทวิสัญญาในทวิปัญจะและก็ดับในกามาวจรที่เหลือเนี่ยนะก็เข้าอากาสาได้นี้เรียกว่าพิสุทํามานให้ตาบอดทําลายจากักษุของมารไม่ให้เห็นร่องรอยถึงซึ่งความไม่เห็นของมารผู้มีบาปประธรรมตรงนี้เป็นการอะไรเป็นการเจริญวิปัสสนาเสร็จก็เรียกว่าขอไปเจริญสมถะละก่อน ออกจากสมถะพระเจริญวิปัสนาพระออกจากวิปัสนาพระเข้าสมถะพละต่อออกจากสมถะพระก็เจริญวิปัสนาพระเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรสมถะสิบสีวิปัสนาสิบสีเนี่ยนะสมถะเอวยสมถะใช่วิปัสนาอีกวิปัสนาที่พิจารณาสมถะวิปัสนาระดับปฐมฌานสมถะวิปัสนาระดับทุติยะฌานสมถะวิปัสนาแบบระดับ ตัตยยาฌานสมถาวิปัสนาระดับจตุทะฌานสมถวิปัสนาระดับอากาสานัญจายาตนะนะสมถาวิปัสนาระดับวิญญาณัญจาญตนะเพราะอะไรเพราะเข้าวิญญาณัญจาญตนะออกจากวิญญาณัญจาญตนะแล้วเจริญวิปัสนาเนี่ยนะครับแล้วเข้าอากินจัญญาญตนะออกจากอากินจัญญาญตนะแล้วก็เจริญวิปัสนาออกจากอากินจัญญาญตนะแล้วเจริญวิปัสนาเข้าสัญญา เข้าเนวสัญญาณาสัญญายาตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายาตนะก็เข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติเพรา ะ, ะนั้นข้อสุดท้ายจึงบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือพิกษุล่วงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะฌานโดยประการทั้งปวงเสียแล้วได้บรรลุสัญญาเวทายิตานิโรธอยู่ก็แหละเพราะเห็นด้วยปัญญาเห็นอะไรเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาคือเห็นอริยสัจคือ ทุกสมุทัยนิโรธมักด้วยปัญญาคือปัญญาในโสดาปฏิมักปัญญาในสกธ า, าคามิมักปัญญาในอนาคามิมักและปัญญาในอรหัตมักก็ความที่สำคัญเนี่ยนะอยู่ตรงที่ว่าเพราะเห็นอริยสัจคือเห็นเนี่ยเห็นอริยสัจด้วยปัญญาคือด้วยมัคคปัญญาทั้ง4ี่เธอย่อมมีอาสะวะทั้งสี่สิ้นแล้วคือสิ้นกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะและอวิชชาสวะ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าพิสูุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมานให้มานไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปประรมเป็นผู้ข้ามพน้นตันหาอันค่องหรือซ่านอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตรัสรู้เกเห็นอริยศาสต ร, ร์ด้วยอริยมรรคปัญญาเนี่ยนะก็ละอาสวะทั้งหลายก็ เห็นอริยศาสตร์ด้วยโสดาปฏิมาค์ด้วยสกทาคามีมาคอนาคามีมาคและอรหัตตมัตทำลายอาสวะสิ้นเพราะเจริญสมถะและวิปัสนาเคียงคู่กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกขได้เพราะฉะนั้นข้ามตัญหาที่น้าที่นำไปสู่ชาติชราและมรณะข้ามตัญหาที่พาให้ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโราพธภะเนี่ยนะ เมื่อพระองค์ตรัสพระพุทธพจน์นี้จบลงพิสูจน์เหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องแยกนะว่าคนที่ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องแยกแยกเทียบกับลับทธิอื่นๆว่าลัทธิอื่นๆนี่เขาเป็นอย่างไรคือต้องรู้ว่าข้อเด่นข้อดีข้อด้อยของตนนี่เป็นอย่างไรเรียกว่าพิจารณาวิบัติของตนบ้างพิจารณาสมบัติของตนบ้าง คือดีอย่างไรแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรการศึกษาของธรรมะเนี่ยจะต้องแบ่งอย่างนั้นว่าความเห็นแบบเราเห็นเนี่ยมีข้อดีอย่างไรเสียอย่างไรวินิจฉัยกันด้วยเหตุผลเหมือนกับการสมัยใหม่เขาก็ตรวจใช่ไหมก็ตรวจเลือดเขาก็ดูผลวัดผลง้องเลือดเนี่ยนะไม่ได้ตรวจเข้าข้างแต่อ่านค่าที่เป็นจริงของเลือดเช่นใครไปตรวจสุขภาพใช่ไหมไปตรวจสุขภาพตรวจอะไรเขาก็อ่านตามความเป็นจริงว่าสุขภาพตอนนั้นเป็น อย่างไรวัดความดันไป ต, ตามอ่ะ น, นะวัดความดันวัดค่าของเลือดวัดหัวใจตรวจสอบอ่ะอ่านตามความเป็นจริงอ่ะมันคืออะไรดีก็จะบอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแล้วสํารวจตรวจสอบถ้าไม่ดีเราต้องแก้อย่างไรถ้ามันดีอยู่แล้วต้องเพิ่มเติมสนับสนุนให้ภัยบูนและบริบูรณ์อย่างไรสติและปัญญาก็ฉะนั้นความเห็นของเราทิศทีของเราเนี่ยมันถูกมันต้องมันตรงตามคําสอนไหมถ้าถูกต้องและตรงตามคําสอนก็นำน ำ, นำซึ่งอะไร นำมาซึ่งการรู้ยิ่งตรัสรู้และเป็นไปเพื่อปรินิพพานแต่ถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนทิฏ ท, ที่ถูกมีทิฏเดียวคืออมาตะทิฏทิฏคืออมาตะนิพพานเนี่ยนะนั่นแหละเป็นทิฏ ท, ที่กเกษมนั่นแหละเป็นทิฏ ท, ที่ปลอดภัยถ้าลัทธิทิฏ ท, ท, ท, ทิของเราเนี่ยนะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานก็แสดงว่าความเห็นอันนี้เราต้องได้รับการแก้ไขแล้วล่ะทีนี้ถ้าหากว่าเห็นแล้วตรวจสอบแล้วทาไมมันช้าอยู่เลอะเกิน เพิ่มพูนเพิ่มเติมทําให้เจริญงอกงามไพ่บูรและบริบูรณ์ได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็จะเป็นพวกเนื้อฝูงที่สี่ใช่ไหมเป็นกลุ่มเนื้อฝูงที่สี่เป็นสมณะพราหมณ์ฝู ง, 4, งกลุ่มที่สี่สมณะพรามพวกที่สี่พระพิสุพระพุทธศาสนาเป็นสมณะพรามณ์พวกที่สี่ซึ่งรอบรู้ว่าพวกที่หนึ่งคิดอะไรรอบรู้ว่าพวกที่สองเนี่ยรู้อะไรคิดอะไรแก้ปัญหาอย่างไรเสร็จแล้ว พลาดอย่างไรรู้พวกที่สามเนี่ยรอบอรู้อย่างไรคิดอะไรรู้แค่ไหนวิธีการแก้ปัญหาบริหารจัดการของเขาเป็นอย่างไรแล้วพลาดตรงไหนเพราะอะไรแล้วของเราเองเนี่ยดีกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างไรเนี่ยถ้าดีจริงก็ดีไปถ้าดีจริงก็ดีอย่างไรอธิบายได้ไหมหรือเข้าข้างใจตัวเองตลอดเวลาถ้าเข้าข้างให้เข้าข้างพระรัตนะตรัยเข้าไว้แต่ใจของตัวเองอย่าไปเชื่อมากนะนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยพระองค์จึง ก็บอกว่าทำมังสารานางังคัตฉามิไม่มีคําว่าปฏิบัติอยู่ในใจเราเลยเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนไหมก็บอกเอาใจที่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติตอนไหนละ่ะแต่บอกโอ้โยปฏิบัติมันอยู่ที่เราใช่ัหมแล้วเราปฏิบัติตอนไหนละ่ะตอนที่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วมันเชื่อได้ขนาดไหนะนะใจเราเองเนี่ยถามใจเราเองจริงๆว่าเชื่อใจตัวเองได้ขนาดไหนบอกว่าถ้าใจของตัวก็ยังไม่เชื่อเลยแล้วอะไรจะเชื่อได้ใช่ไหย นี่แหละที่ว่าชำระใจของตัวเองอย่างไรทํายังไงให้ใจเป็นไปตามคําสอนใจที่เป็นไปตามคําสอนเนี่ยมันมั่นใจโดยที่ไม่ต้องบอกว่ามั่นนะไม่ต้องกล่อมด้วยมั่นเธอใจเอ้ยเนี่ยนะไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่อมเพราะอะไรเพราะเหตุผลเท่านั้นแหละที่ทําให้ปัญญาเนี่ยลงตัวถ้าหากว่าเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเป็นไปตามคําสอนทุกอย่างลงตัวหมดแต่ถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนน่ะมันขัดแย้งไปหมดเลยเพราะคําสอนท่านใช้คําว่าธรรมจัก ธรรมจักรกับกลไกนี่ระบบมันเหมือนๆกันก็นนคือแปลว่ามันเป็นเป็นโครงสร้างเป็นธรรมจักรเป็นการหมุนภาในที่ทางเรียงถ้าอาอะไรไปเสียบไปขัดไปแยง้งไปอะไรเมื่ อ, อไหร่ปั๊บธรรมจักรก็ไม่หมุนไปฉันใดการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นการปฏิบัติไปตามแนวพระธรรมจักรคือหมุนไปการเพื่อหมุนไปเพื่อรู้อริยสัจถ้าหากว่าไม่เป็นไปเพื่อการรู้ยิง่งซึ่งอริยสัจแปลว่ามันต้องขัดมันต้องแยงแ้งล่ะ ทีนี้ชําระอย่างไรเนี่ยนะดูแลอย่างไรทําความสะอาดอย่างไรจึงจะคู่ควรไปสู่อมะตะทิศเนี่ยนะเป็นการหมุนไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อสงบประงับดับวัตทุกข์เพราะฉะนั้นก็จากการฟังสูตรนี้ก็ชอจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นเช่นกับสมณะพราหมณ์พวกที่สี่ได้ตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกอควนุโมทนาจนมา